แล้วก็ตั้งกายให้ตรงี่เป็นระเบียบอแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็นั่งได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ถนัดในการนั่งขัดสมัดก็นั่งพับเทียบก็ได้หรือแบบเทพนมก็ได้ อ, อันนี้อแล้วแต่ความถนัดอ่าของแต่ละคนคําว่าการถนัด แต่ละคนนั้นนะ่บางคนถ้านั่งประเทีย่นะก็ไม่สะดวกนะเจ็บพวเกี่ยวกับร่างกายสังขารธาตุขันของเรานะบางทีก็นั่งประเทียรมันก็จะเจ็บจะปวดนทะรมานอนะบางทีก็นะเคยอย่บัติเหตุมาอย่างนี้ก็ก็มนะีบางคนก็นั่งแบบเทพนมแบบ มาทับซ้อนอย่างนี้ก็มีนะแล้วอยู่อยู่ที่คนเราเนี่ยฝึกการการนั่งสมาธิก็เหมือนกันถ้าเราไม่เคยนั่งก็จะนั่งไม่ได้นานแต่การฝึกของเราเนี่ยถ้าเราได้ฝึกบ่อยๆถึงว่าจะนั่งแบบไหนก็นั่งได้นาน จะนั่งพระเพียบตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ได้อันนี้หลวงปู่ก็เคยได้ฝึกนั่งพระเพียบมาเวลา อ, อยู่กับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ อ, อยู่อุปถากตดูแลท่านเราก็นั่งแบบพระเพียบนอกจากเวลาท่านสอนนั่งสมาธิเราถึงจะนั่งคัสมาอแต่ก่อนก็นั่ง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 อ่าประสบการณ์อ่าได้อ่าจนชนิดํานาญในการอ่าพินิจพิจารณาอ่าในเรื่องกระแสของกิเลสทั้งหลายหรืออ่าเกิดความชนิดํานาญในการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะระ ง, งับอ่าความโลภความโกรธความหลงหรือระ ง, งับนิวรณ์ อ, อ่าต่างๆที่เกิดขึ้น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 ทำให้จิตไม่ได้รับความสงบอย่างนี้มันก็เป็นในวรได้แล้วก็ความก็เหงาหานอนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อนั่งสมาธิไปก็มีแต่จะหลับอย่างเดียวอย่างนี้อันนี้ก็ก่อนที่เราเกลี้ก้ได้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีก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 เวลาที่เหลืออยู่นั้นนะเป็นเวลาที่สำคัญจะเข้าไปถึงเวลาที่จะเข้าสู่ความสงบในขณะที่เวลาจากสี่ทุ่มไปถึงเที่ยงคืนหรือจากเที่ยงคืนไปถึงตีสี่อย่างนี้เป็นเวลาที่จะได้รับความสงบนี่เป็นจุดที่สำคัญที่เราจะต้องหาวิธีที่จะปฏิบัติให้มันไปถึงจุดนั้นให้ได้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 เนอตัวรู้ดิ่งเข้าไปนั้นเมื่อดึงเข้าไปผลสุดท้ายจิตได้รับความสงบเมื่อจิตได้รับความสงบมันก็มีที่อยู่ของจิต อ, อยู่ปกติของจิตพอันรู้ทันต่อกันเมื่อมันรู้ทันก็จิตเป็นตัวรู้ตัวตัวมารมันก็จะหลบเมื่อมารไม่มีที่เรื่องไปแล้วไม่มีที่ปีกตัวไป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 นี่แหละความแหลมคมเนี่ยจะเกิดอความสงบหรือเกิดอดวงสว่างเกิดขึ้นตรงที่แหลมคมนั่นแหละตรงแหล ม, มคมแหลมคมนั่นแหละจะเกิดดวงสว่างพอเกิดดวงสว่างแล้วนี่อ่จุดเล็ๆกๆนั่นแหะจะจุดประกายอจุดประกายให้เราเกิดดวงสว่างเกิดขึ้นเมื่อดวงสว่างเกิดขึ้นคําว่าสว่างนี่ก็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 นายแพทย์หรือเป็นผู้อภาคษาเป็นนักกฎหมายเป็นนายสามหากษัตริย์ต่างกันขึ้นมากับพบชาติที่ทุกข์ยากลำบากเป็นเพราะอะไรก็จะเห็นพบชาติของตอนเองเคยสร้างคุณงามความดีอา น, นิสงส์ที่เคยสั่งสมมาก็ได้ทบีขนขึ้นมาจนถึงราชามหากษัตริย์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 เจ็บปวดรวดร้าวในร่างกายสังขารในคณะาที่เสวยผลทิพย์อยู่บนสวรรค์นั้ น, นจะไม่มีภกขเวทนานะแล้วไปอยู่ที่นั่นถ้าเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้ณขณะนี้นะอากาศาก็จะเย็นเหมือนอย่างขณะนี้พอดีพอดีอย่างนี้แต่อากาศที่เย็นในบนสวรรค์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 เพราะเราทำบุญไว้น้อยนะเราไปอยู่บนสวรรค์เราผลทำบุญไว้น้อยเราก็ได้อยู่น้อยถ้าเราได้ทำบุญมากเราก็จะอยู่นานนะยิ่งเป็นอริยบุคคลขึ้นไปนับตั้งแต่โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลขึ้นไปนี่ก็จะไปอยู่บนสวรรค์ยาวนานบางท่านบางองค์บางท่า น, บา ง, ง บ, าานบางคนนะที่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 เออเกิดแล้วเราก็พูดไปลูงปู่ก็ตอบเลยแหละเกิดแล้วไปเกิดแล้วไปเกิดที่ไหนคนไหนทําดีเราก็บอกว่าน่นแหละสวรรค์นี่คนไหนทําบาปก็โน่แนแหละนรกบาปไม่มากก็เป็นสัมปเวสีอยู่โน่นแต่ถ้าพูดอย่างนั้นน่ะลูกก็ น, น่าจ๋อยไปเลยนี่ทำไงพ่อหนูถึงจะพ้นจากความทุกข์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 เมื่อไปตกอยู่ในนรกอเวกี v G. แล้วมีคนจะไปส่งสเสบียงได้ไหมมันอยู่ในกลางทะเลนูน่นน้ําเด็กแดงอยู่นูน่นใครจะเอาไปส่งได้นะมันก็เอาไปส่งไม่ได้แล้วผลบุญนั่นไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่คนที่ทำนี่แหละนะอันนี้สงก็จะเกิดอยู่กับคนที่ทำนี่แหละลูกหลานที่ทำนี่ยังมาเป็น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 ดะยะยาวนานตั้งแต่ได้สติมาเป็นอาจจะเป็นร้อยปีอย่างนี้ถึงจะได้มาเกิดอย่างนี้การสังสมอนุมโมทนาตามที่เห็นคนอื่นเขาทำบุญเห็นพวกเราทำบุญอย่างนี้เขาก็อนุมโมทนาด้วยสาธุเวลาเราทำบุญอย่างนี้เขาก็จะสาธุ อ, อยู่เรื่อยๆอย่างนั้นนะขออนุมโมทนาด้วย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 อล่วงละเมิดในสิทธิบุคคลคนอื่นซึ่งเป็นสามีภรรยาของคนอื่นเอหรือไม่ไปโกหกพวกลมไม่กินเหล้าเมายาติดยาเสพติดตให้โทษอย่างเนี้ยเป็นปนุบัติสัยเกิดขึ้นมาเลยไม่มีใครไปแตะต้องในสิ่งเหล่านี้นี่ความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้จากที่เคยเป็นสัตว์กจากที่เคยเป็นสัมปเวสีจากที่เคยเป็นเปรต ก็ามาเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์จะตายจากโลกนี้ไปก็จะเป็นเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นส ก, กเทวราชนี่เป็นอย่างนี้นี่คือบุญกุศลสามารถที่จะทาคันได้โดยง่ายนี่คือการสั่งสมบารมีเพราะฉะนั้ น, นพวกเรามาทาบุญในวันปีใหม่วันนี้เขาถือว่าเรามีความตั้งใจเปิดสกุลฐานใหม่ ก็อยากจะฟังธรรมะคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธรรมะคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีอยู่ในตําราอยู่ในตําราถ้าเราปฏิบัติได้เมื่อไร่ก็อยู่ในตัวของเราทุกคนพระพุทธเจ้าแบ่งไว้ให้แล้วอ่าให้ทุกคนแต่เราจะทําออกได้มากหรือน้อยนี่มันอยู่ที่กําลังศรัทธาของเรา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 ปรินิพานนะีน่พานะปัจยโยโหตุนว่ากัอบจะทุกวันน่ะว่าทุกวันนี่คือความปรารถนาเมื่อปรารถนาอย่างนี้อยู่ไกลไหมะน่ะนี่พานะปัจยโยโหตุถ้าเป็นคนมีบุญไปอยู่บนสวรรค์นานอความสุขถึงจะนาน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 เอาครอบครัวของตนเองนับตั้งแต่พระบิดาของตนเองนะ่และจะดอดถึงทายาทพนะันยารุ่งทุกทุกคนเนี่ยเอาไปบวชในพุทธศาสนาอันนี้ส์ลูกเมียหรือบิดามารดาของตนเองญาติพี่น้องของตนเองใครเีสร้างบา ร, รมีไหวเต็มแล้วก็จะเข้าสู่ถึงมรรคผลนิพพานได้สําเร็จจิตเปิดพระอราหารันตมรรคอรหันตผล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 เอความสุขที่เราปรารถนาก็จะได้สําเร็จนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบที่มีในโลกนี่เวิเดเยทุกขมัจเจติบุคคลที่จะร่วงความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรนี่เราเราเพียรเราพยายามตั้งใจปฏิบัติน่ถึงเรียกว่าความเพียราเพียรจนถึงความสงบอ่ทั้งสองอย่างนี่ก็จะได้สําเร็จ เมื่อสงบเราก็จะมีความสุขความาสงบจะเกิดขึน้นมาจากความเพียรความพยายามนี่เรานั่งสมาธิเราก็มีสติอมีสัมพชัญญะ า, าคือรู้ออยู่ตลอดไเวลานี่ขณะนี้เราทําอะไรอยู่เอเรามีสติมีสัพพัญญะคือรู้ตัวนีสติกะระลึกได้อสัพพัญญะรู้ตัวอี่วิริยะความเพียร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 อ่าที่ได้รับทุกขทรมานนำมารวมเข้ากับเป็นกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสวรรค์ทั้งพระนิพพานทั้งนรก่ทั้งเปรตทั้งสัมภเวสีทั้งสุรกายอตลอดถึงเมืองบาดาลพญานาครู้หมดที่ว่าแต่ละอ่าแท่นท่านแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงแต่ละวิญญาณเนี่ยเป็นยังไงบาปกรรมเป็นยังไงรู้หมดนี่คือคําว่าความรู้